แต่การอย่างทําที่ออกกาลังกายาที่คําคือการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเราเห็นประโยชน์เราก็รู้จักผ่อนคลายคือทฤษฎีของการตีเหล็กอ่ะตีมีดอ่ะคือถึงช่วงที่จะต้องดัดเหล็กแบบมีดต้องเป่าให้มันแดงที่สุดแล้วค่อยตีเมื่อแดงตีเข้าที่เขาลูกเราอยก็ชุบน้ํายังไม่เขาลุกเขาลอยกับมาเผาอีก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 รูปนามนะเข้าใจรูปนามหมายถึงว่าเราจะลดตัว ต, วตนให้น้อยลงความสาคัญผิดที่เป็นสักยัิฐิเนี่ยความสาคัญตนเองผิดคือไปคิดในมิติที่เป็นรูปที่เป็นสมมติเท่านั้นแต่มิติทางนามธรรมาเราไม่ถึงเพราะฉะั้นมีรูปแล้วมันต้องมีนามด้วยว่าตัวตนจริงๆข้อเราเนี่มันไม่มีมาก่อนนะที่มันมีมาเพราะวิบากของกรรม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 ตื่นตัวขึ้นในแง่ของพุทธศาสนาท่านกวยนกิกาถือเป็นเคลือ่อนหันสามารถแพร่ขยายไปทั่วโลกเราสมเด็จบัาเราทำอย่างนั้นได้สักองค์ม้าดก mm hmm. ก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเถลวาดเพราะนั้นมันจำเป็นต้องผสมผสานทั้งเทลวาดมหายานด้วยกันเอามาโชคดีตรงที่ว่าได้เข้าไปคุกขีทั้งสองส่วน ผู้ขีทั้งเทระวาทั้งมหายานผู้ขีทั้งวัชระยานผู้ขีทั้งมหานิการทั้งธรรมยุทธ์แล้วเอาส่วนดีของแต่ละฝ่ายนี่ออกมาใช้ก็ทําให้เราเห็นช่องทางว่าเราจะพัฒนาพุทธศาสนาให้ดีกว่านี้อย่างไรพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นทรายที่ดีนะฝ่ายผู้นําทางอะไรต่างๆแล้วเราเรื่องนี้เข้าไปแลผู้นําเราก็สนใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้น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 ในแง่ของสาระนะแต่ในแง่ของลัทธินิการปเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของสมมติแต่ในแง่ของสาระแล้วก็วคือได้ใช้ตัวหลักของพุทธศาสนาคือจัดระเบียบตัวเองอเอามาไปดูคลิปต่างๆของโรงเรียนอนุบาลของญี่ปุ่นใช่ตัวเล็กๆสองขวบสาขวบฝึกกันพอโตขึ้นมาเด็กพวกนี้ปล่อแล้ว คือการฝึกเด็กเนี่ยตั้งแต่อายุหนึ่งขวบถึงสิบห้าขวบเนะี่ยฝึกให้เต็มที่หลังจากสิบห้าไปแล้วเนี่ยเขาเป็นของคนอื่นแล้วจะฝึกยากแล้วหนึ่งชีวิตสิบห้าปีถ้าเด็กของเราเหมือนผ้าขาวอะ่ะจะฝึกอะไรก็เป็นอันนั้นแต่นั่นเองในสิ่งเหล่านี้การฝึกนะการฝึกตนนะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าหากว่าเราทําได้ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่สนุกคาว่าถูกต้องก็คือ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 ท, ทั้งที่ไฟเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ทำไมเราเดินเข้าไปเพราะเราจัดระบบะจัดระบบเรียนรู้เอาช่างไฟฟ้าวิศกรไฟฟ้ามาติดเราก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยในการไฟไม่ว่าน้ำไฟคอมพิวเตอร์สิ่งที่เป็นอิเล็กทรนอนิกทั้งหลายต้องใช้ไฟหมดเหมือนกันทุกที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราเพิงเรียนรู้ศึกษาที่จะแปลรูปของทุกทุในแบบต่างๆออกมาเป็นตัวรู้ ให้อยู่ทางกายเท่านั้นนะแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนต่อมาว่าทุกข์ที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาให้ละเอียดแล้วทุกของกายนี่เองมันก็จะไปสร้างทุกข์ให้กับจิตเรียกว่าสมู ท, ทยัยตรงเนี้ยท่านบอกให้ละที่เราปฏิบัติทุกวันในกรรมาฐานทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อละสมู ท, ทยัยคือละทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะแต่ทุกทางกายเนี่ยคุณละมันไม่ได้ถ้ามันเกินทําไง บ, บําบัด ทุกกายต้องบำบัดทุกใจต้องตัดไปทุกกายต้องบำบัดแต่จะทําให้ตัดไปแบบทุกทางจิตยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ติดตัวเรามาด้วยอํานาจของวิบากกรรมถ้าเรามีรู้จักเรื่องอริยสี่ตั้งแต่ชาติที่แล้วเราก็ไม่ต้องเกิดมาชาตินี้อีกใช่ไหม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 นี่คือสิ่งที่ยากนะแต่นั้นเองเมื่อเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเราเริ่มเข้ามาลําดับลําดับที่จัดการกับทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปนี่ได้อย่างไรเพราะรูปเป็นที่ตั้งของทุกรูปไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเราไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเขาเไม่ใช่ที่ตั้งของกูมึงพี่ยายบ้านกำ น, นันทาหารตำรวจผ้าเนนเทนชีอันนั้นเป็นสมมติเปลือกนอกของมัน เราก็ต้องเอาออกเวลาเรารับประทานาอาหารเรารู้จักเอาสิ่งที่เป็นพิษที่ไม่จําเป็นออกเราทานผลไม้อย่างทุเรียนเงาะละมุดมังคุดลําไยเนี่ยเราเคยกินไปทั้งเปลือกทั้งเนื้อไหมไม่เคยเราก็รู้จักแกะ เ, เปลือกออกแต่ทําไมเวลาชีวิตของเราทํำไมไม่รู้จักแกะสมมุติออกมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะเราไม่มีอะไร อ, ไ, ร อ, อไม่มีกะยะายานมิตรไม่มีอาวุธทางปัญญา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 ของชีวิตนี่ให้เป็นตัวปัญญาให้ได้ถ้านจะบอกทุกต้องกําหนดรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อแปลงให้เป็นปัญญาแปลงให้เป็นปัญญาเบื้องต้นเพียงแต่ป้องกันทุกขเวทานาทางกายไม่ให้มันไหลไปสู่จิตง่ายๆอย่างเวลาออกกําลังกายช่งชวงเช้าทําไมไม่ตั้งใจทํากันเพราะระกลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดใช่ไหมกล้า ก, ก, ก, กลัวกลัวทําเหนื่อยหน่อยตอนเช้าหลวงพ่อทําก็ในนิ่งโยกขาขึ้นโอ้ยกไม่ไหวอ๋อโยกใหม่ โย่คืนเออเอาไปมาทําไหวยกน้นเป็นไงโอ้โผมันหนักท้องมากหลวง่อหายใจไม่ทอดทองเออนั่นแหละผ่อนคลายแนละ้วทําไมเอ่อทำไปทํามาเออทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราทํายากทำไม่ได้ต้องทดลองแล้วทดลองหาวิธีทําใช้ปัญญาเออทุกคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ทำอันนี้ไม่ใช่แล้ะทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องทําอย่างนั้นดูเออบอกให้ท่าสุดท้ายบอกว่าเฮสแตนโอ้โผไม่ไหวแค่แหวัวจังเพื่นผมก็จะเป็นลมอยู่แล้วเฮสแตนก็คือเหยียดขาขึ้นนู้งบน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 เขาเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่นพลังงานน้ำเขาเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานลมเขาเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานฐานหินธาตุดินเขาเป็นระบบไฟฟ้าเราก็มีไฟฟ้าใช้มหาศาลแต่ว่าเทคโนโลยีเรายังไม่สูงพอเราต้องไปเชื้อไฟฟ้าที่ไหนมาใช้ดังลาวจากพม่าจากที่ไหนไม่รู้ปีหนึ่งก็ต้องเสียเงินประมาณมหาศาลแต่ถ้ามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า น, นี้เราก็พัฒนานเนี่ยแสงแดด เยอรมันเขามีแดดแค่เดือนแค่4เดือนต่อปีแต่เขาใช้พลังงานแสงแดดทั้งประเทศนะดังนั้นเองเรื่องเทคโนโลยีก็สําคัญที่เราจะพัฒนาแปลงสภาพวิปัสนาก็คือเทคโนโลยีทางนามธรรมานี่ดีนี่เองคือเปลี่ยนทุกขให้เป็นวิปัญญาถ้าคุณไม่ทําวิปัสนาให้ถูกต้องแล้วคุณจะเปลี่ยนทุกให้เป็ น, ป, ญญ ป, น, ป, นปัญญาไม่ได้เพราะเปลี่ยนไม่ได้ทุกก็ต้องท่วมเมื่อทุกแล้วคนก็ต้องทำบาปทากรรมทําสร้างนรกเผาตัวเอง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 ต้องสร้างตัวเปลี่ยนแปลงตัวทุกทางกายเนี่ยให้เป็นปัญญาให้ได้เพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครยังกลาก้ากลา ก, กลั ว, ก ล, ว, ก, ลวกลัวทุกอยู่โดยที่ไม่แปลงเป็นปัญญาคุณก็จะทุกข์และอ่อนแออย่างนี้ตลอดไปนะแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งมีความอดหันในการทําแล้วเนี่ยแต่เมืองไทยเราสอนให้เป็นคนผู้หญิงเนาะ เ, เป็นภาพ้าปนเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมประเพณีต้องตกเป็นท่าของเขาเรื่อยไป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 นานเหลือเกินแล้วจนเขาจนคนของเราจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเดี๋วนี้โดยการครอบงาของชาติอื่นชาติมหาอำนาจที่เขามีพลังด้านนี้เหนือกว่าเรานะเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งปฏิบัติเป็นชุดเป็นอาสนะเนี่ยวันนี้จะเริ่มจริงจังขึ้นทึ่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานละเพราะวันพุนี้ผููเก่าต้องเข้าเก็บอารมณ์ทั้งหมดละก็เมื่อลืนนี้วันสุดท้ายเนี่ยคนใหม่ก็ต้องเข้าเก็บอารมณ์ และววันต่อไปก็ออกประเมินผลกันนะตามระบบของเราทั้งนี้เพื่อที่จะนั่งดูแล้วก็แปลงทุกถ้าหากวันนั่งไม่นานเดินไม่นานเราก็จะไม่เห็นทุกทุกไม่พอทุกน้อยไปน้ำน้อยน้อยไปปั่นเป็นไฟได้ไหมอ่ไม่ได้ต้องน้ำเยอะๆแสงไฟแสงอาทิตย์มันไม่แรงพอมันก็ไปปั่นเป็นไฟไม่ได้หลวงพ่อติดเครื่องไอแปลงแสงอาทิตย์เป็นปั่นน้าจาก ไอ้สุกไอ้แยกนี่แหละนะสองนิ้วแต่ปรากฏว่าตอนที่แสงแดดมันก้าเนี่ยมันหมุนติ้วเลยน้ำขึ้นแรงมากพอแดดมันอ่อนๆเครื่องมันก็ อ, อ่ อ, อนตามแดดในที่สุดเครื่องพังนะเพราะว่าไอ้ตัวลูกสุกลู่อะไรมาทำงานผิดปกติผมพอก็เลยโยกไอ้ทั้งแปดแผงไปรวมกับแผงใหญ่มาติดไอ้ตัวกิจทายใหม่ก็ใช้ไฟเดินเข้าสายเป็นเดินเสมอแทน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 เบอร์นายเกิด ค, ความง่วงเกิด ค, ความขี้เกียจขึ้นมาแสดงว่ามันไหลเข้าไปสู่จิตเรียบร้อยแล้วคุณต้องเปลี่ยนละจะช้าหรือเดี๋ยวก็ตามอาการของอความทุกข์ทางกายที่เข้าสู่จิตสัญญาณแรกมันคือนิวรณ์นิวรณ์คือความเรารักสบายมาก่อนเมื่อมันกลายไปสบายเราเริ่มเบือ่อเราเริ่มไม่ชอบใจก็เกิดเป็นปฏิฆะและพยาบาทนิวณ์รัวที่สองตามมา พอมันไม่ได้อย่างใจปั๊บนิ่งเฉยไม่อยากจะทําอะไรพักหนึ่งง่วงแล้วโมหะเข้าแล้วหรือบางคนไม่ง่วงฟุง้งซ่านไอ้ ก, กูมานั่งทําไมวะนั่งทรามานตัวเองอยู่บ้านสบายกว่าไปนู่นแล้วทีนี้มันก็จะคิดออกไปเออฟุ้งซ่านแล้วตอนนี้รังเลเอวิธีนี้ถูกต้องหรือเปล่าเคยทํำมานั่งสนิทได้อารมณ์ดีนิ่งสงบเรามาทำนี้ฟุ้งซ่านตลอดน่มันใช่หรือเปล่าชักลังเลแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดการนิวร์เข้านั่นหมายความว่า ทุกขเวทนาทางกายมันไหลเข้าสู่จิตเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นความเจ็บความปวดเหมือนทางกายแต่ออกมาเป็นอาการของจิตที่มันคิดไปต่างๆนานานั่นให้รู้ว่าทุกขเวทนาทางกายไหลเข้าสู่จิตเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่านามารปพิธีการก็คือมากระตุ้นมาแก้ไขทางกายให้ชัดเจนขึ้นทําความรู้สึกตัวกับทุกขที่ให้ชัดเจนขึ้นถ้าทุกมันเกินผ่อนลงมา มันสบายอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เหมือนเผาเหล็กให้แดงเน่ยเวลาปรับปรับปรับปรับเหล็กให้มันเข้ารูเข้ารอแล้วพอมันหมดความร้อนมันก็ตีต่อไปมันกตีไม่ได้มันแข็งละไปชุบน้ํามันมันแข็งแล้วมาเผาใหม่เหมือนกันเรานั่งไปมันจนทุกเวทนาีมันพีคแค่ไหนพีคแค่การทนได้แต่ถ้าหากว่ามันเริ่มค่อยสู่จิตแล้วก็ต้องปรับแล้วปรับท่าไป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 ไอ้เรดาร์ตัวนี้มันอยู่ทํางานนะเครื่องบินมันจะลงสนามไม่ได้หลวงพ่อว่า ง, งั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าเครื่องบินเขาเครื่องบินเราเครื่องบินาพาณิชย์หรือเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินศัตรูแยกไม่ออกฉันเดี๋ยวได้ขอดีการยกมือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหอเรดาร์ที่เขา ย, ยกตลอดเวลาอา้าหลวงพ่อบางครั้งมันไม่ได้ยกแสดงว่าเรอ้าวคือเคลื่อนไหวส่วนอื่นหรือเปล่าล่ะอา้าวเรื่องไหนคือเรดาร์ไปจำตัว ยังมีการหายใจพับตาาปากเคลื่อนไหวจานู่นจำ น, จนี่แต่ประการสำคัญมันจะเป็นเล ด, ด้าได้ต้องมีอะไรมีสติสัมปชัญญะเหมือนไฟฟ้ามันเลี้ยงอยู่เหมือนข้อมูลมันมันทำงานอยู่แต่ถ้ามันหมุนเฉยเฉยมันไม่สามารถสื่อข้อมูลใดได้เลด้ดานั้นก็เป็นไงใช้ได้ไหมเสียไม่สามารถจะส่งข้อมูลที่รับเข้ามาเข้าไปสู่อ่าไอ้ตู้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 แต่ถ้าหากมันรับสัญญาณเข้ามาไม่มีตัวรู้เข้าไปแปลงสัญญาณตัวที่รับเข้ามาก็กลายเป็นอะไรเป็นข้อมูลของความทุกข์เป็นความคิดเป็นนิวรณ์เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไม่ได้แปลงเป็นสัญญาณดิบนะด้วยคอนเซปต์อันนี้เราก็ถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะเกิดโอปะนจิโกเห็นสิ่งข้างนอกก็น้อมเข้ามาสอนข้างในเห็นสิ่งข้างในก็นาไปทาสิ่งข้างนอก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 พูดถึงเรื่องการปล่อยวางดีท่านก็มาทำ อ, อ, อาจารย์นี้สอนเรื่องหลับตาท่านพูดถึงเรื่องความว่างเออดีเอาความว่างเ้ามาทำให้มันสอดคล้องกับหลักการ